คือเจริญให้มันต่อเนื่องยาวๆเยอะๆเนี่ยนะแต่เราเออรูปไม่เที่ยงรูปคือก็อไปแล้วกันนี่คนนั้นเคาจะว่างไงบ้างนะไปแล้วเรื่องสารพัดเข้ามาละฟุ้งซ่านหมดอะฉะนั้นศีนเนี่ยถือว่ารองรับคุณธรรมชั้นสูงอย่างดีนะโดยเฉพาะกูสวรละวิตกทั้งหลายก็ลองเราไปนั่งด่าใครมาดิแล้วก็มาเจริญสมถาวิปัสสนาดูนะเจริญได้ไหมยากเพราะฉะนั้นศีนเนี่ยสาคัญมาก ต่อไปว่าการพิจารณาโทษในการไม่สำรวมเนี่ยนะการพิจารณาอนิสงในการสำรวมการพิจารณาความบริสุทธิ์ในการสำรวมการพิจารณาความขาวสะอาดและสังกิเลในการสำรวมท่านสงเคราะห์ด้วยศีละมยญาณเนี่ยนะอันนั้นสำคัญนะโทษของการทุศีนใครที่มีปัญญาพิจารณาโทษของการทุศีนได้อันนั้นแหละเป็นศีลมยญาณเนย ถามว่าถ้าปาณาติบาตนะอันนี้สงตรงตรงเป็นยังไงก็อบายอยู่แล้วล่ะถามว่าถ้าอย่างเบาที่สุดเลยนะกําไรอย่างเบาที่สุดของปาณาติบาตถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะมีสิทธิ์ตายตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงก็ตายได้เกิดในท้องแม่นะ่หนึ่งชั่วโมงก็ตายได้สองชั่วโมงก็ตายได้สามชั่วโมงก็ตายได้แม่ตั้งใจฆ่าบ้างฆนะ่าตัวตายอยู่ในนั้นบ้างอะไรบ้างอันนะก็พร้อมที่จะตายได้หมดเลยอันนี้คือโทษของ การปฏิบัตินะไหมแล้วก็ต้องพลรากจากของรักอยู่เสมอเช่นเดี๋ยวมีพ่อพ่อก็ตายนีจากมีแม่แม่ก็ตายจากเป็นต้นเนี่ยนะกลุ่มเนี่ยเป็นผลของศีลประเภทข้อหนึ่งไม่ดีลูกกัมพาร์ทั้งหลายแหละเนี่ยส่วนพอข้อที่สองมีทรัพย์ทรัพย์ก็เสียหายเ น, ะนะี่ยนมีเรียกว่ามีรถไม่ทันรายแล้วก็พังไปแล้วมีบ้านไม่ทันรายบ้านก็ไฟไหม้น ะ, นะมีทรัพย์ศีลก็เดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็เสียเดี๋ยวก็พังเดี๋ยวก็หมด เดี๋ยวก็เดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเนี่ยนะพวกนี้ผลของอธินาานาธารมตรงนั้นเลยะนะถูกโกงบั่งอะเนะืื่นไปให้เขาโกงเองบ้างอะไรบ้างอย่างงี้ยนะนะถ้าเป็นศีลข้อที่สามนะไตที่ไหนคนก็ไม่ค่อยชอบขี้หน้าศัตรูเยอะโด ย, โดยโดยธรรมชาตินะแล้วพวกนี้เป็นคนมักระแวงเนะนะพวกพวกผิด ส, สินข้อที่สามเนี่ยนะสนะ่วนข้อที่สี่เนี่ยนะนะพูดอะไรแล้วก็ไม่มีใครอยากฟัง แทบจะขอร้องกราบเขาก็ยังไม่ฟังให้เลยนะบางคนเวลาจะพูดนะคนเริ่มคุยกันแนละ้วถ้าคนนี้เงียบเมื่อไหร่เขาคนอื่นเขาจะเงียบด้วยอันนี้ก็ศีลข้อที่สี่ไม่ดีหรือพูดอะไรก็ไม่มีใครเชื่อไม่มีใครฟังไม่มีใครย้ำเกรงเลยนะถ้าข้อที่ห้าล่ะก็ติงต้องทั้งหลายเลยนะนะปัญญาอ่อนขาด บ, บาดบ้างเต็มเกินบาดบ้างพวกนี้แหละโทษของผู้ศียข้อที่ห้าแต่ถ้าเป็นถ้าพิสูจนก็ เนี่ยนะก็คำนวนว่าเสียชาติเกิดเป็นอย่างมากเลยนะถ้าบวชเข้ามาแล้วทุศีลถามว่าเสียชาติเกิดเนี่ยเสียชาติเกิดยังไงคือเสียชาติที่ได้เกิดมาในชาติของพระอริยะเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นการเกิดครั้งที่สองเลยที่มาถืออริยชาติชาติตามพระพุทธเจ้าที่เป็นพระอริยชาติเนี่ยนะแล้วก็ถ้าบวชเข้ามาแล้วมาประตูอมตะนิพพานเลยนะศีลเนี่ยทีนี้ถ้า ศีลไม่ดีก็คือเหมือนกับเอาอะไรสักอย่างไปติดประตูไว้เป็นอย่างดีเลยนะบอกชั้นไม่ออกทางนี้มันทางอมตะชั้นไม่อนะก็เลยก็ปิดประตูนิพพานแล้วก็เบิกประตูอบายแล้วก็ถ้าดูในอักขี่ขันธูปมาสูตรเนี่แล้วก็โอชาดเลยนะก็บอกว่าในสูตรนี้แสดงจบนะพระพิสุกกระอักเลือดหกสิบรูปสงสัยท่านเป็นโรคกระเพาะมั้งนะก็เลยแสดงนะก็บอกว่ากรดมันหลังมากนะ แต่ว่าฟังจบแล้วก็อาเจียนมาเป็นเลือดเลยหกสิบเลือดมันร้อนมากร้อนในอกเลยอ่ะหกสิบรูปบรรลุเป็นบรรลุเป็นพระอรหันต์อีกหกสิบรูปลาสึกทันทีะนะพวกลาสึกทันทีเหมือนกันแต่ก็สุนั้นนะพวกที่พวกที่กระอักเลือดตอนหลังก็บวชเป็นเนรนะก็ก็คือเป็นประราชิกในะเป็นพระพิสูจน์นะก็ถือบวชเป็นสมัมเนรก็บรรลุเป็นอริยะนะ เป็นพภาคนาคามีเป็นต้นเนยนะแต่ว่าไม่ได้เป็นพภาคทหารส่วนพวกที่ทุศีลเป็นเนืองนิดสึกไปก็ตอนหลังก็บรรลุมรักผลเหมือนกันแล้วก็พยายามพิจารณาโทษของความทุศีลแต่จริงก็ศีลที่เห็นชัดเจนเลยนะถ้ามุ่งกุศลธรรมชั้นสูงเนี่ยศีลนํามาซึ่งอะไรอวิปปิสารอวิปปิสารนํามาซึ่งปราโมทปราโมทนํามาซึ่งปิติปิตินํามาซึ่ง ปัสสัต t h ปัสสัต thi นำมาซึ่งสุขสุดยอดของศีล น, นะโดยลำพังตัวศีลจะทําให้ถึงความสุข น, นะฉันคนมีศีลจริงๆจะเป็นคนที่มีความสุขคนถ้าถ้าจะตายตอนนั้นจะเสียใจไหมนึกถึงศีลของตัวเองที่รักษาไว้ดีก็ไม่เสียใจล้วแล้วลก็ศีลเนี่ถือว่าเป็นบาตรของสมถะเป็นอย่างดีค น, นถ้าจะรักษาสมาธิแต่ไม่รักษาวาจาเนี่สมาธิจะยืดไหมไม่ยืดเนี่ยนะ ท่า น, นพวกการรักษากายวาจานะจะรองรับสมาธิเป็นอย่างดีเพราะสมาธินี่เป็นชื่อของจิตเจตสิกไม่เกลื่อนกล่นกระจัดกระจายศีลกายวาจาไม่เกลื่อนกล่ลกระจัดกระจายแต่สมาธิเจตสิกจิตเจตสิกไม่กระจัดกระจายแล้วก็อั น, นิี้สงของศีลต่อไปก็ถือว่าศีลกลุ่มนี้เพธาภาคยะ ก, ก็คือบาตรแห่งการเจริญวิปัสสนาทั้งหลายเนี่ยส่วนพิจารณาถึงความบริสุทธิ์แห่งศีล นีนะศีลบริสุทธิ์ได้อย่างไรนะศีลบริสุทธิ์เพราะไม่เห็นแก่ลาบแก่ยศแก่สรรเสริญไม่เห็นแก่ญาติไม่เห็นแก่อวัยวะไม่เห็นแก่แกชีวิตเป็นต้นเรียกว่าพิจารณาความบริสุทธิ์แห่งศีลส่วนพิจารณาวทานของศีลเนี่ยนะความสะอาดจากสังกิเลสเนี่ยนะคือศีลของคนที่ไม่มีอุปกิเลสจับต้องไม่มีอุปกเล์เนี่ยมาเบียดเบียนอันนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่ ขาวสาดในเรื่องศีลจริงๆคือเป็นผู้รักษาศีลแล้วไม่มีมานะนะคนคนมีศีลถ้ามีมานะเนี่ยนะโอราคาลดลงไปเยอะเลยเนี่ยนะคือคือคนมีศีลเนี่ยบางคนนะมันจะชอบดูถูกคนอื่นในเรื่องทุศีลเ น, นี่ยนะก็เที่ยวชอบบ่นชอบตำหนิคนที่ทุศีลอันนี้แหละเป็นเป็นความเสียหายของผู้รักษาศีลคนนั้นเองเขาเรียกว่ายกตนข่มผู้อื่นเช่นว่าตัวเองเป็นผู้สันโดษในปัจจัยศีก็ ดูหมิ่นผู้อื่นว่าเป็นผู้ที่มักมากในตัจใจซีตัวเองมีศีลดีแต่ก็ดูหมิ่นคนอื่นว่าทุ่ศีนเป็นต้นเนี่ยนะไอ้ความดูหมิ่นเป็นต้นนี่แหละเรียกว่าเป็นความเศร้าหมองของศีลของบุคคล น, นั้นที่ยกตนข่มผู้อื่นนั้นศีลของผู้ที่ไม่มีอุปกิเล์เช่นถือตัวดูหมิ่นเย่อหยิงความโกรธความผูกโกรธเป็นต้นเนี่ยศีนของพวกนี้จะสะอาดเรียกว่าโบธามเนี่ยนะสะอาดส่วน ปัญญาที่สามารถไปพิจารณาโทษของการทุศีนอา น, นิสง์ของการรักษาศีลความบริสุทธิ์แห่งศีนแล้วก็โวทานความขาวรอบของศีนอันนี้แหละเป็นศีละมะยะยานปัญญาที่สอบสวนไข้ครวญพิจารณาเรื่องศีลได้อย่างรอบคอบก็ในในกลุ่มของเราเนี่ยได้ข่าวว่าหลายท่านไปรักษาศีลเนี่ยนะก็ก็ควรกับการอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง น, นะนะเพราะศีนเนี่ยนะ อถ้าใครที่รักษาได้บ่อยรักษาได้ยาวรักษาได้ต่อเนื่องก็คือไม่ค่อยนึกเสียดายชาติเกิดอนะแต่ถ้าหากว่าไม่ได้รักษาศีลผู้ที่ไม่ได้รักษาศีลเนี่ยที่เห็นเห็นเลยจะเดือดร้อนใจเดือดร้อนใจว่าการาฏิบาตเราทําไว้แล้วการงดเว้นจากการาฏิบาตเราไม่ได้ทําอธินาทานเราก็ทําการงดเว้นจากอธินาทานเราไม่ได้ทํา การเมตสุไมิฉาจารเราก็ก้าวล่วงการงดเว้นจากการเมสุมิฉาจารเราก็ไม่ได้งดเว้นมุสาวาเราก็มุสาวาการเว้นจากมุสาวาเราก็ไม่ได้ทําพูดคําหยาบเราก็พูดบ่อยเนี่ยนะเวการพูดไพเราะเหมาะแก่การประสานประโยชน์เราก็ไม่ค่อยพูดหมายว่าพูดคำไพเราะเป็นต้นเราก็ไม่พูดพูดให้คนอื่นแตกร้าวกันเราก็พูดแต่ว่าเว้นจากคําพูดเหล่านี้เราไม่ทําพูดเพ้อเจ้อนี่เก่งมากแต่ว่าเว้นจากเพ้อเจรเราไม่ทำเนี่ยคนนี้เดือดร้อนทั้งนั้นแหละ หรือบางทีเดือดร้อนแม้กระทั่งเราเนี่ยอภิชาเจริญแต่อภิชาอนัภิชาไม่ได้เจริญเรานี่มากไปด้วยโทสะไม่ได้เจริญเมตตาเราเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ได้เจริญสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะพวกนี้จะวิปฏิสารในภายหลังจะเดือดร้อนก็ถ้ารีเดือดร้อนก็รีบเดือดร้อนและรีบชำระซะถ้าไปเดือดร้อนตอนใกล้ๆนั่นแหละก็ตรงนี้แหละแค่เรียกว่ากรรมมะอารมณ์ ลึกถึงปาณาติบาตที่ตัวเองเคยทำนะนะนึกถึงเจตนาในปาณาติบาตอธินาทานเป็นต้นนะนึกถึงเจตนาในกรรมบทตรสิทเถอะทุกนั้นแหละประตูอบายทั้งหมดเลยนะเวลานึกถึงนึกถึงแล้วก็จิตเศร้าหมองเพราะผู้ที่ล่วงศีลเนี่ยนะเมื่อนึกถึงไอ้การล่วงศีลเนี่ยจิตจะเศร้าหมองเมื่อจิตเศร้าหมองก็ทุคติก็หวังได้น่นนะถ้านึกถึงสมมติวนาะใครล่วงได้สิบกรรมบทตนะ ทำผิดตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อสิบข้อไหนจะนำเกิดข้อที่คิดถึงอ่ะนำเกิดคิดถึงข้อไหนข้อนั้นจะนำเกิดนะไม่น่าคิดถึงสักอันเลยนะแต่ไม่ใช่คนน่ะอะไรที่ทําไว้ไม่ค่อยดีนะ่ะมันจะจําแม่นมากนะว่างตรงนั้นอมมาเคยทําปาลาปฏิบาติเลยนะ <S <S โอ้ยไม่รู้กี่จําได้หมดเลยอันนี้อเออตุกมันก็ต้องเห็นปลาเราก็เออปลาเราก็ฆ่ะ เมื่อก่อนเร้เห็นยอดมะขามอ่อนเอ้ยเราไปทำอะไรไปเฮ้ยเราก็เคยเขยา่าแมลงที่ต้นมะขามใบมะขามอ่อนเนี่ยนงะั้นอ้ยไม่ไหวงั้นนะทำบาปไปเยอะนัาศึกษาธรรมะว้ไม่ดีนะก็อาจจะพบกันที่นั่นก็ได้ <c oughs> <c oughs> เป็นนงงสาคนาญาติอยู่นั่นน่ะนะเพราะฉะนั้นยังไงยังไงก็ของใครก็ของใครนะหนีๆกันเถอะนั่นา อกุศลคือเนี่ยนะเห็นปลาเนี่ยเอ๊ะประดุกเราก็เคยทำเลยประชอนก็ไม่เบาอย่างเงนะเห็นกบอ้าวก็ข่าีกนันนะโอ้ไม่ไหวเนี่ยนะพราะั้นพวกที่ทำปานาติบาตนะเวลาเห็นสัตว์นะมันจะนึกได้เลยว่าเคยทำปานาติบาตเมื่อก่อนจะตายได้ยินเสียงกบร้องอะไรจะเกิดขึ้นค <c oughs> <c oughs> ตินิมิตไม่ดีแน่เลยนะ <c oughs> อนะหรือไปเห็นภาพเกี่ยวกับประเภทพนนี้พันนี้เข้าเดือดร้อนแน่แล้วก็ ใช้สูตรผูการเนี่ยปล่อยปลาขึ้นเยอะๆนะนึกถึงปลาก็นึกถึงการปล่อยใช่ไหมเราก็จะคือถ้าเราอย่างสมมุติว่าผู้ที่ฝึกคิดเอาไว้ดีๆเนี่ยนะก็สามารถเอาสิ่งเดียวกันเนี่ยมาเป็นเป็นเหตุแห่งการเจริญกุศลได้นะเช่นให้ทานมากขึ้นน่ยนะเอาแบบผู้การว่านะถนนสายไหนก็เคยปล่อยสัตว์เอาไว้เงี้ยลึกเมื่อไหร่ก็สบายอย่างนั้นนะให้ชีวิตเป็นทานได้ไหมไ ห, ม ห, ม ห, มหมรือถนนสายไหนเราก็เคยใส่บาตร นึกถึงจังหวัดไหนที่มีเจดีเราก็ไปกราบเอาไว้หมดเนี่ยถามว่าเริ่มไหมเริ่มพอมานึกเออแม่ห้องสอนเออเราก็กราบมาแล้วแพรก็ไปกราบมาเมื่อวานเนี่ยนะ้าจะนึกถึงแพร่เมื่อไหร่แต่ก็นึกถึงไหวพระาธาตุเงี่ยนึกถึงเชียงใหม่ก็นึกถึงพระเจดีทั้งหลายที่เราไปกราบเมื่อค่อนอย่างชั่วเชียงได้เอาพระาธาตุตรงโน้นมากรุงเทพภูเขาทองอไหวพระแล้วค่อยอย่างชั่วเนี่ยไไปนึกถึงทำปานาติบาตแล้วแย่ในครั้นี้ก็ดีจริงๆนะถ้าถ้าใครที่นึกไว้นี่ เพราะอย่างใครที่นิยมเอาสมมติจุดไฟจุดเทียนเป็นพุทธบูชามากๆอ่ะนะเวลาก่อนตายเห็นไฟก็ไม่ค่อยน่ากลัวใช่ไหมแต่ถ้าไม่เคยเอาเทียนเป็นพุทธบูชาไม่เคยเอาแสงสว่างบูชาเลยนะสว่างโลมาเมื่อไหร่ก็ชักเดี๋ยวก็เดือดร้อนอีกแล้วนะท่านก็พวกบางคนนี่เขาใชถวายผ้าสีเหลืองเนะนี่ยนะเพราะในในนรกอยู่คมหนึ่งอ่ะนะมีอามาตย์อยู่คนหนึ่งถูกไปนรกเนี่ยเผา พอเห็นเปลวสีทองปั๊บนึกถึงเจดียไอ้นึกถึงผ้าที่เคยทําพุทธบูชาเนี่ยนะเปลี่ยนอารมณ์เลยเกิดในที่ดีเลยเนะนะี่ยนะทัานอย่างพระพุทธรูปที่เราเคยกราบเคยไหว้นะก็เอาไวน้นึกๆนะเออองนี้เราก็ไปกราบองค์ที่นั่นเป็นต้นนะอันนี้เอาไว้ซ้อมจิตเป็นอย่างดีนะคือถ้าจิตกุศลแจิตเหล่านี้ไม่เกิดนะอย่าหวังเลยกุศลชั้นสูงมันจะเกิดนะอันนี้ง่ายที่สุดแล้วในบรรดากุศลในพระพุทธศาสนานะ แต่ถามว่าการกราบการไหว้พระเจดีย์เป็นต้นเนี่ยเป็นบุญประเภทธรรมหรือศีลกราบนะเป็นศีลกุศลเนี่ยนะเออเป็นศีละกุศลเนี่ยน่าธรรมถ้ามีดอกไม้เป็นต้นไปบูชาก็เป็นทานนกุศลเนี่ยนะก็เป็นการบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาเป็นอย่างยิ่งถ้าไปสวดสรรเสริญคุณเนี่ยนะเป็นภาวนาเนี่ยนะก็สรรเสริญคุณแบบเข้าใจเ่ยนะก็ภาวนาก็มีทั้งยานวิปยุตยานนะ สัมปยุทธ์เละถ้าเข้าใจด้วยก็เป็นยาณสัมปยุทธ์ถ้าเป็นยาณวิปยุทธ์ก็ดีกว่าไม่ทำเนี่ยนะก็ดีกว่าไม่ทําก็สวดไปก่อนนะนะถ้ายาณสัมปยุทธ์ได้ยิ่งแจ๋ว